แล้วถามว่าคำพีนี้ท่านทำไมท่านจึงมาพระตถาคาจารย์ทำไมท่านมารวบรวมล่ะท่านบอกว่าข้าพเจ้าอันท่านพุทธศีหะคือพระเทระรูปหนึ่งชื่อว่าพุทธศีหะศีหาก็คือราชสีนะผู้แก ล, กล่าพุทธศีหารูปนี้เนี่ยโดยปกติเป็นผู้ยินดีในพระศัทธธรรมโดยเคารพอันคุณมีศีลเป็นต้นบรรดาใจเอาเอาหมนะ พระพุทธสีหะเนี่ยปกติพื้นเพของท่านแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเคารพในพระธรรมมากพระพุทธสีหะเนี่ยนะที่ท่านเคารพเนี่ยทำไมท่านเคารพเรียกว่าธรรมคารวตาอะไรชื่อของท่านก็บอกว่าพุทธสีหะเครียกว่ากล้าเยี่ยงพระพุทธเจ้าเลยนะสีหะก็ประกาศถึงลักษณะของผู้กล้ากล้าเรียว่าเป็นผู้ที่กล้ากล้าท่านเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เป็นผู้หนักในพระธรรมจริงๆ และเป็นผู้ยินดีในพระสัตรธรรมคือยินดีในโพธิปัจขยธรรมยินดีในปริยัติสัตธรรมปฏิบัติสัตธรรมแล้วก็โลกุตรสัตธรรมเนี่นะแล้วท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีมสุตะมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกมากมายเนี่ยนะพระผู้เรียบเรียงคำภีรพุทธวงศ์เนี่ยท่านบอกว่า ท่านพุทธสีหะเป็นคนบรรดาลใจแปลว่าเป็นคนขอร้องอ้อนวอนเพราะฉะนั้นอาศัยที่ท่านพระพุทธสีหะเนี่ยนะอ้อนวอนอย่างเงี้ยข้าพเจ้าจากเริ่มพัฒ น, นาขยายความคัมภีร์พุทธวงศ์คัมภีร์พุทธวงศ์เนี่ยพระผู้เรียบเรียงเนี่ยชื่อว่าพระพุทธทัตต์ทัตต์เนี่ยแปลว่าให้พุทธะแปลว่าพระพุทธเจ้าให้มาว่า ง, งั้นนะพระพุทธเจ้าให้มาก็คือเหมือนกับพระพุทธเจ้าส่งมาเกิดว่า ง, งั้นเถอะ ท่านเป็นพระเถระยุคเดียวกันกับพระพุทธโคษาจารย์นีนะเป็นยุคเดียวกันแล้วก็สองรูปนี่ถ้าจําไม่ผิดท่านพบกันกลางทะเลนะตอนที่พระพุทธโคสาจารย์นี่ไปสีลังกาพระพุทธทัตตะเนี่ยจากสีลังกามาอินเดียเนี่ยนะก็เจอกันกลางทะเลว่า ง, งั้นท่านก็ได้สนทนากันมันพระพุทธทัตต์เนี่ยนะก็เป็นรูปเดียวกันที่แต่งคัำพิยาพิธรมมนนะธรมมาวตานนีนะพิธรรมมาวตาน นะท่านก็บอกว่าท่านพุทธสีหะเนี่ยอาราธนาพระพุทธทั ต, ตะให้เรียบเรียงคำภีพุทธวงศ์เรียบเรียงอัตกะทานะถามว่าเรียบเรียงทำไมเพื่อกำจัดความชั่วร้ายของชนทั้งหลายทุกเมื่อคำนี้แปลว่าคนมันชั่วร้ายยังไงเขาบอกว่าความชั่วร้ายก็คือว่าเขาไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้ากันความที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นความชั่วร้าย เพราะไม่มีศรัทธามันจะมีอะไรเร็วร้ายยิ่งกว่าไม่มีศรัทธาอีกแล้วหรือมีศรัทธาแต่มีแบบเข้าใจผิดผิดเข้าใจในพระพุทธพจน์ผิดผิดเข้าใจในพระพุทธวงศ์ผิดผิดเข้าใจพระพุทธเจ้าผิดผิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความชั่วร้ายเพราะฉะนั้นขอให้เรียบเรียงพระคัมภีร์มัทุรัตถวิลาสีเพื่อกําจัดชั่วร้ายของเหล่าชนทุกเมื่อและเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา อันแห่งพระพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนเข้าใจข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเข้าใจตํานานของพระพุทธเจ้าเข้าใจวงของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยสืบทอดกันมาอย่างไรจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคนก็จะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเมื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็จะมีศรัทธาช่วยกันกําหนดจดจําพระธรรมมีการไปปฏิวัติตาม พระธรรมเพราะฉะนั้นพระศาสนาก็จะดำรงมั่นอยู่ได้เพราะพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระพุทธโอวาทอันนะพระพุทธศาสนาอยู่ที่คําสอนผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนมีมากเท่าใดพระพุทธศาสนาก็จเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าคนเข้าใจในพระพุทธเจ้าก็จะวขวนขวายศึกษาพระธรรมเมื่อวขวนขวายศึกษาพระธรรมเท่าใดก็จะมีการปฏิบัติตามธรรมเมื่อมีการปฏิบัติตามธรรมเท่าใด พระพุทธศาสนาก็ดำรงมั่นอยู่เพียงนั้นแล้วก็คัมภี์พุทธวงศ์เนี่ยน ะ, ะเมื่อรวบรวมเสร็จเป็นคัมภีเราเนี่ยโดยเฉพาะอัตตะถาก็ทําให้เกิดและเจริญแห่งบุญถามว่าเป็นบุญยังไงผู้เรียบเรียงก็เป็นบุญผู้ฟังก็เป็นบุญผู้ที่เอาไปปฏิบัติตามเพื่อเพิ่มภูณสักธาวิริยะเป็นต้นก็เป็นบุญบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้ปฏิบัติอยู่ในเหตุแห่ง ความสุขเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสุขแม้ของข้าพเจ้าเองท่านบอกว่าที่ข้าพเจ้ารวบรวมคัมภีร์นะแก้ขจัดความเข้าใจผิดความไม่มีศรัทธาของผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นาศาสนาก็จะได้ดารงมั่นอยู่ต่อไปแม้ข้าพเจ้าเองก็จะเจริญด้วยบุญบุญที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นบุญที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญภัยบุญยิ่งขึ้น มหาชนทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็จะมีศรัทธาเลื่อมใสดํารงมั่นในพระรัตนตรัยอันนี้เป็นคุณนประโยชน์ของการเรียบเรียงแสดงว่าที่เรามาเรียนก็จะเป็นลักษณะนั้นนะถ้าเป็นไปตามลักษณะนั้นแสดงว่าเรียนถูกวัตถุประสงค์แต่ถ้าบุญที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดบุญที่เกิดแล้วก็เสื่อมศรัทธาก็ที่มีอยู่แล้วก็ลดลงแปลว่าผิด แต่ถ้าศึกษาไปแล้วบุญที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นบุญที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไปศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็บริบูรณ์อินทรี่ห้ก็บริบูรณ์ภะระโพธชงองมากก็บริบูรณ์เป็นไปเพื่อตรัสรู้อริยสัจตามที่พระองค์ตรัสรู้ก็แสดงว่าเรียนถูกต้องแต่ถ้าไม่เป็นไปเพื่อเจริญโพธิปักขคยธรรมก็แสดงว่าผิดพลาด ก็การพัน น, นาพุทธวงศโดยสังเขปคือโดยโย่อนี้อาศัยทางบาลีที่มาจากสำนักมหาวิหารและโทษคือการปะปนกันเสียจากเป็นสาระก็คือรวบรวมเอาแต่เรื่องที่เป็นสาระเท่านั้นเขาบอกว่าการเรียบเรียงคมภีเนี่ยเรียบเรียงตามอะไรถามว่าถือเอาอะไรเป็นหลักถามว่าถือเอาแต่อย่างสมัยนี้ก็อัง จดหมายเหตุหรืออ้างหนังสือในหอสมุดอะไรเป็นต้นเป็นหลักสมัยนี้ก็จะอ้างแบบนั้นนะนะนี่ก็เหมือนกันท่านบอกว่าอ้างบาลีพุทธพจน์ตามแนวสํานักมหาวิหารสํานักมหาวิหารอยู่ตรงไหนก็บอกว่าอยู่ที่กรุงอนุราธัาุระเนี่ยนะอยู่อยู่ตรงที่สีลังกาเนี่ยนะที่กรุงอนุราธปุระถ้าไปในตอนนี้ก็จะมีโลหะปราสาสเนี่ยนะซากโลห์ปราสาสมีแต่เสาหินปักโดเดอยู่เป็นพันเสา แล้วก็มีต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ซ้ายมือของของโลหะประสาทมีสุวรรณมาลิกะเจดีย์อยู่ขวามือเนี่ยองค์ใหญ่มากเนี่ยอคอนซาจะเอาผ้าไปหอมละนี่ก็เขบอกว่าถือเอาตามสํานักนั้นนะเป็นหลักเหมือนกันนะสำนักนั้นตรงนี้ไปก็เลยเดี่เสา อ, อย่างว่านะอดีตเอกรว่าล่วงการผ่านไปก็อธิจาวัตสังขาราก็มีอะไรนีแต่ว่าสรุปว่าการเรียบเรียงคมภีร์ตามเนี่ยอะไรที่มันเลอะเทอะนะรกรุงรัง อะไรที่มันมีพิษมีภัยมีทุกข์มีทุกขเราออกไปเหลือเอาแต่สาระเพราะว่าคําว่าสาระหมายถึงอะไรสาระหมายว่าไม่มีข้อผิดข้อพลาดหรือสิ่งใดที่เป็นสาระทํำให้ผู้ศึกษาได้รับสาระไปด้วยพระธรรมที่เป็นสาระทํำให้เจริญด้วยคุณธรรมที่เป็นสาระเมื่อฟังธรรมแล้วศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระก็จะเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นก็เรียบเรียงรวบรวมเพื่อให้เกิดแต่เฉพาะสิ่งที่เป็น สาระเท่านั้นคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะก็เพราะเหตุที่ในที่นี้ไม่มีเรื่องอะไรที่ควรฟังที่จะเป็นเครื่องยังใจของผู้ยินดีในพระพุทธคุณให้เลื่อมใสเป็นเครื่องลอยบาปซึ่งเป็นมนถินใหญ่นอกจากเรื่องพุทธวงศ์ฉะนั้นแลก็แปลว่าถ้าพูดกันตรงๆเลยนะมันมีเรื่องอะไรบางที่มันฟังแล้วาจะทำให้ คนที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วหรือคนที่ยังไม่เลื่อมใสจะเลื่อมใสเนี่ยเท่ากับการศึกษาพุทธวงศ์ถ้าถ้าจะพูดไปเนี่ยนะว่าผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาที่จะทําให้มีศรัทธาขึ้นผู้ที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยจะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยจะมีอะไรที่ที่ควรจะฟังเท่ากับพุทธวงศ์เพราะว่าคำภีร์นี้เป็นเครื่องลอยบาปเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อลอยบาปทางกายลอยบาปทางวาจาและลอยบาปทางใจ มันก็ลอยได้จริงจริงนะเพราะเขาคิดกันเป็นอสงไขยอสงไขยเขาคิดชีวิตกัน ย, วยาวๆมากยาวเป็นหลายๆกับหลายๆแสนกับหลายๆอสงไขยกับแล้วใครจะกล้าไปทําชั่วทําชั่วแล้วจะไปไหนเนี่ยนะก็เหมือนว่าวางกับดักให้ตัวเองไม่รู้กี่ภพกี่ชาติต่ตอไปอย่างเราฆ่าตัวเองหนึ่งฆ่าคนอื่นหนึ่งครั้งเนี่ยนะวางกับดักเพื่อให้วางให้ตัวเองถูกฆ่าต่อไปไม่มีสิ้นสุดต่อไปในอนาคตฉันใดหรือบาปอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นคําสอนเหล่านี้ทําให้มันลอยบาปออกไปได้เรียกว่าอะไรกรรมสโกมหิสิ่งใดที่ทําข้าพเจ้าก็จะรับสิ่งนั้นเอาทําไมไม่เลือกทําสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองพอจะได้รับสิ่งดีๆในตัวเองเนี่ยนะนะเพรา ะ, ะนั้นก็บาปประธรรมก็ถูกกําจัดออกไปมนทินใหญ่ราคะโทสะโมหะก็ถูกทําลายออกไปเห็นความเป็นไปของสังสารวัตรที่มันไม่มีจบมีสิ้นจริงๆเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นก็พร้อมที่จะรวบรวม คุณธรรมเพื่อการตรัสรู้อริยสัจธรรมจะได้ออกจากวัฏฏุกเพราะฉะนั้นสรุปว่าคำพีใดนที่ฟังแล้วที่สมควรแก่การฟังที่จะทำให้ศรัทธาในพระพุทธคุณเนี่ยจเจริญขึ้นเป็นไปเพื่อลอยบาปละมนทินนอกจากพุทธวงศ์ไปหาเรียนที่ไหนไปหาศึกษาพระธรรมหมวดใดที่จะทำให้ใจเลื่อมใสขนาดนี้เนี่ยนะถ้าฟังพุทธวงศ์แล้วไม่เลื่อมใสนี่ก็ แสดงว่าอดีตนี้ไม่มีอะไรเลยเท่าไรเลยนะแสดงว่าอดีตเนี่ยไม่ได้สั่งสมอะไรมาเลยมันก็ให้มันเลื่อมสายสักหน่อยเพราะเชื้อเนี่ก็ยังดีเนี่ยนะพระเชื้อต่อไปอนาะคตจะได้เลื่อมสายแต่สําหรับผู้ที่เลื่อมสายอยู่แล้วก็จะได้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจะได้มั่นคงว่า เรียนพระพุทธคุณก็จะได้มั่นคงในพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะมั่นคงในอรหันตคุณเพราะว่าการฟังเข้าใจพุทธวงศ์เนี่ยจะทำให้เลื่อมสายในพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าเท่าใดก็ขวรขวายสนใจในคำสอนเท่านั้นถ้าปฏิบัติตามคำสอนเท่าใดความสุขทั้งหลายก็จะเจริญขึ้นเท่านั้นความพ้นจากทุกข์ก็คความทุกข์ก็จะระงับดับศูนไปเท่านั้น มันก็เลยเตือนว่าขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ประกอบอยู่ในสมาธิโดยเคารพละความฟุง้งซ่านไม่มีจิตเป็นอื่นจงตั้งโสดประสาทดังภาชนะทองรองรับสดับมัทุรสก็เรียกว่าคำพูดที่หวานประดุดน้ำผึ้งของข้าพเจ้าผู้กำลังกล่าวพันธนาขยายความว่าบอกว่าให้สาธุชนคนดีทั้งหลายประกอบด้วยสมาธิ ก็แปลว่าตั้งใจให้ดีนะให้ตั้งไว้ด้วยอนนาภิชชาอภยาบาศและปัญญาเนี่ยนะมันมโนกรรมนี้ให้ดีเลยนะอย่าให้ฟุ้งซ่านอย่าให้กรรมวิตกกาเริบอย่าให้พยาบาทวิตกกกำเริบก่อกวนอย่าให้วิหิงสาวิตกก่อกวนให้ตั้งอยู่ในมโนกรรมอันบริสุทธิ์ให้จิตตั้งมั่นเหมนะให้จิตตั้งมั่นคร่าวว่าอย่ามีใจเป็นอื่นเหมนะเพราตอนนี้เราฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าวันอย่ามีใจเป็นอื่นไปเป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า มันถ้าท่านจะคิดถึงขอให้คิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นเป็นหลักนะนะไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าจะคิดถึงคนอื่นก็ขอให้คิดถึงพระพุทธเจ้าถ้าจะคิดเรื่องอื่นก็ให้เรื่องพระพุทธเจ้าก็ให้วนๆอยู่ตรงนี้น่ยให้จิตใจตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นะตั้งโสตะประสาสตให้หูเนี่ยเหมือนกับภาชนะทองรองรับน้ําผึ้งนะรองรับน้ําผึ้งคือคําสอนในพุทธวงศ์เนี่ยนะของข้าพเจ้าผู้กําลังจะกล่าว พระพุทธตะท่านบอกว่าท่านจะกล่าวต่อไปก็ให้ตั้งใจฟังอนะให้มองหูของตัวเองเหมือนภาชนะทองเท่าไหนเท่ากับแก้วจอกเดียวจุ่น้ําได้ช้อนหนึ่งช้อนส้อมช้อนชาช้อนขาวหรือพ้าพีหรืออ่างหรือตุ่มหรือว่าเท่ากับทะเลภาชนะใหญ่ขนาดไหนก็เลือกเอากันแล้วกันจะขอตักตวงเอาเนี่ยนะรองรับเอาพระธรรมคำําสอนเก็บไว้ในใจเท่าใดก็ถามใจเอาเราแล้วกันนะ้น ถามใจเราเอาว่าเราจะตักตัวให้ศรัทธาเนี่ยนะเจริญขึ้นในจิตในใจของเราขนาดไหนก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิที่เอาเนี่ยนะไม่ใช่ผ่านมาเวลเวลเสียงเวลเวลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเก็บอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะแต่ก็เป็นอย่างนั้นนะอ่านพุทธวงครั้งแรกๆโอ้ดีนะดีดีเอกเอก็ดีสิแล้วกันแล้วกันไปถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่ได้เก็บอะไรเลยเนี่ยนะนก็เรียกว่าฝนรัตนามาก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้เรียบเรียงรวบรวมชั้นใดก็ดี ถ้าเราจะศึกษาพระธรรมคำสอนก็ขอให้ได้ตั้งอกตั้งใจที่จะให้ให้มีศรัทธาเนี่ยเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นไปให้หูเนี่ยเป็นภาชนะประดุษภาชนะทองรองรับพระธรรมเทศนาจิตใจก็จะได้เจริญด้วยศรัทธาเป็นต้นยนยะอย่าลืมว่าศรัทธาที่อยู่ในใจเรานี่แหละจะทำให้เราข้ามออกจากวัตฏทุกได้ท่านบอกว่าก็กระถาพันานาพุทธวงศควรที่มัจจมัจจะแปลว่าคนที่จะต้องตาย เป็นผู้รู้จะต้องละกิจอย่างอื่นเสียให้หมดเวลาฟังนะเวลาฟังเวลาพูดเขาบอกว่าจะต้องไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นให้ทิ้งเรื่องอื่นให้หมดถ้าจะฟังนะหรือถ้าจะพูดก็ต้องอา่าต้องไม่ต้องไม่สนใจเรื่องอื่นท่านบอกตรงๆเลยบอกมัดจะคนที่จะต้องตายค น, คนคิดว่าตัวเองจะต้องตายเนี่ยนะแล้วก็เชื่อแน่ว่าตายแน่ literal. หรือไม่เชื่อก็าตายเนี่ยนะสรุปว่าถ้าจะฟังถ้าจะพูด จะต้องลากิจอย่างอื่นให้หมดนะก็ฟังพูดให้ต่อเนื่องให้ด้วยความเคารพเพราะว่าเรื่องนี้พุทธวงศเหล่านี้คำภีนี้แต่งไร่แสนยากนันบอกเลยนะแสนยากก็ไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่หมื่นก็แล้วกันเนี่ยยากเป็นแสนแสนในบางอันแตไม่ใช่แสนเดียวด้วยเพราะท่านทุ่มเทอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นขอให้ฟังโดยความเคารพแล้วก็ฟังให ต่อเนื่องศรัทธาเป็นต้นก็จะได้เพิ่มพูนไปบูญยิ่งยื่นไปเนี่ยนะมันเลิกบรรยายนะก็พระไตรปิฎกเขาก็ไม่ได้เก็บคืนอะไรก็เอาไปอ่านต่อก็ได้ควรกําหนดพุทธวงศไว้ก่อนในคาถาปรารพนั้นข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าคาถาพันนาพุทธวงศจักเป็นสาระที่บอกว่าะละโทษคือการปะปนการจัดถือเอาแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นสาระเนี่ยนะข้อ ก, การกําหนดในพุทธวงศนั้น การกล่าวประเพณีประเพณีคือความสืบเนื่องวัฒนธรรมอย่างพิสดารเนี่ยนะโดยปริเชดมีกักปะปริเชดเป็นต้นอันเกิดขึ้นแต่พระพุทธเจ้ายี่สิบห้าพระองค์เพราะว่าเรื่องราวในพุทธวงศ์ทั้งหมดเนี่ยนะจะมีการขยายเป็นเรียกว่าตัดเป็นปริเชดปริเชดออกมาแล้วเนี่ยประมาณทั้งหมดเนี่ยนะมีอยู่สาบามปริเชดเนี่ยนะมีสแบ่งเรียกว่าแบ่งเป็นสาบามปริเชด ที่เป็นเรื่องราวการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า25พระองค์ซึ่งเสด็จอุบัติในช่วงระยะเวลา4อสงไขยเศษอีกแสนกับนับถอยหลังจากวันนี้หรือกับนี้เป็นต้นไปเรื่องราวที่ถอยหลังออกไปเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้ง25พระองค์แล้วก็มีการมาแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นบทเรียกว่าปริเชตเนี่ยนะแบ่งเป็นปริเฉตประมาณ33ปริเชตเนี่ยนะคีที่กล่าวลักษณะนี้เรียกว่าพุทธวงศ ก็พุทธวงศ์นั้นท่านกําหนดแบ่งเอาไว้เป็นประชิดเรียกว่ามีการแบ่งๆไว้ตรงนี้ยกมาก่อนประชิดสาคัญจริงๆตรงๆเลยมีอยู่22ประชิดจริงก็ท่านพิมพ์ไว้ข้างล่าง23เนี่ยนะก็คือ23ประชิดประเิดที่หนึ่งบอกว่ากับตะประชิดเนี่ยนะเรื่องกับเกี่ยวกับเรื่องกับกับทั้งหลายว่ากับไหนคือคือกับที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นกี่องค์คําว่ากับหมายว่ากับเหล่านั้นเนี่ย อ่าเป็นกับที่พระพุทธเจ้าเกิดหนึ่งองหรือสององหรือสามองหรือสี่องหรือกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดห้าองหรือว่านามปริเชตว่าพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นนั้นมีพระนามว่าอย่างไรโคดก็คือพูษแบบสมัยใหม่เรียกว่านามสกุลนะนะว่าด้วยพระโคดทั้งหลายก็คือเผ่าไหนอะไัเงี้ยโคตหรือเผ่าก็ได้หรือนามสกุลก็ได้อย่างที่สี่เขบอกว่าชาติปริเชศว่าพระองค์เนี้ยมีชาติอะไร เป็นชาติพราหมณ์หรือชาติกษัตริย์เป็นต้นเนี่ยนะในเมืองที่พระองค์เกิดเนี่ยนะเมืองอะไรพระนครเนี่ยชื่อนคร อ, อะไรปีตุประชิดพระพุทธบิดาพระองค์ชื่ออะไรมาตุบระชิดพระพุทธมารดาพระนามว่าอย่างไรโพธิรุก ข, ขะประชิดต้นไม้ที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นต้นไม้ชื่ออะไรต้นไม้ประเภทใดธรรมจักรกับปวัตนาประชิดตามประกาศพระธรรมจักรมีผู้ฟังเท่าไหร่บรรลุแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะ อภิสมัยะบริเชตการตรัสรู้ของพุทธสาวกทั้งหลายเนี่ยมีการตรัสรู้แต่ละครั้งเนี่ยตรัสรู้เท่าไหร่สาวกสนิบาตการประชุมพระสาวกเพื่อแสดงโอวาทปาติโมกปเป็นต้นเนี่ยมีสาวกสนิบาตการประชุมสาวกกี่ครั้งอัครส า, าวกบริเชตว่าด้วยพระอัครส า, าวกชื่ออะไรอัครส า, าวกข้างซ้ายอัครส า, าวกข้างขวาชื่ออะไรพุทธอุปถากบริเชตว่าอุปถาอา่ามีชื่อว่าอย่างไร ส่วนอักขระสาวิกาปริเชตว่าอักขระสาวิกาข้างซ้ายข้างขวา น, นะสาวกผู้หญิงะนะชื่ออะไรเป็นอย่างไรบริวารภิกขุปริเชตว่าภิกษุที่เป็นบริวารโดยปกติติดตามพระองค์เนี่ยมีกี่รูปรังสีปริเชตก็คือพุทธังสีที่ออกจากพระวรกายโดยปกติเนี่ยออกไปเท่าไหร่เนี่ยนะ หรือสรีระปริมาณปริเชตว่าขนาดของพระพุทธส리 ร, ระเนี่ยสูงเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยนะเช่นสูงกี่ซอก8ศอก16ศอกหรือว่าเกือบ80ศอกอะไรก็ว่าไปโพธิสัตตาธิการับปริเชตก็คือการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นว่าพระโพธิสัตว์เหล่านั้นน่ยท่านสร้างบารมีมาเท่าไหร่เป็นพระพุทธเจ้าประเภทไหนเช่นศรัทธาธิกะปัญญาธิกะหรือวิริยาธิกาเนี่ยนะ พยากรณะปริเชดว่าด้วยการพยากรณ์ว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพยากรณ์พระพุทธเจ้าอย่างไรแล้วก็โพธิสัตว์ปริธานปรเชดว่าการตั้งความปรารถนาของพระโพธิสัตว์ว่าพระโพธิสัตว์นี้ท่านตั้งความปรารถนาว่าอย่างไรแล้วก็อายุปริะชว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านั้นเนี่ยมีพระชนมายุยืนนานเท่าไหร่แล้วก็ปรินิพานะปรเฉดว่าการปรินิพานของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ มีรายละเอียดอะไรบ้างอันนี้ครบับวาระที่มาในพระบาลีก็ยกมา23วาระ23ปริเชต23ตอนเนี่ยนะส่วนวาระมากวาระอีกที่ที่ไม่ได้ยกขึ้นมานะแ ต, แต่ก็มีการกล่าวเอาไว้ก็คืออีก10ปริเชต10ปริเชตก็คืออาคารวาตปริเชตว่าด้วยการอยู่ครองเรือนว่าพระองค์เนี่ยเป็นคารวาตอยู่กี่ปีครองเรือนอยู่กี่ปี แล้วก็ปราสาทัตยะปริเชตว่าปราสาทของพระองค์ทั้งสามฤดูปราสาทนี่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็นาตะกิตถีปริเชตก็คือพระองค์นี้มีสนมนักฟ้อนนันสตรีฟ้อนรําอยู่เท่าไหร่สมัยที่เป็นคารวาตอัครมเหสีปริเชตก็คือพระองค์มีอัครมเหสีชื่ออะไรปุตตะปริเชศพระองค์มีโอรสชื่อว่าอะไรนะ เพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยต้องเห็นหน้าพระโอรสก่อนจึงจะออกบวชเนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นธรรมดาและก็ญาณปริเชษพระองค์วันที่พระองคออกบวชนั้นออกบวช ด, ด้วยญาณอะไร น, นะด้วยญาณอะไรญาณอะไรที่เช่นพระองค์เนี่ยส่งม้าใช่ไหมทรงม้าออกบวชก็เรียกว่ายานหรืออภินิ ค, คมนะปริเชษว่าด้วยเหตุการณ์ที่อภินิสกรมเหตุการณ์ในวันออกบวชมีอะไรบ้าง น, นะประธานะปริเชษเมื่อบวชแล้วบาเพ็ญเพียรอยู่นานเท่าไหร่จึงได้ ตรัสรู้อุปถากริเฉตมีใครเป็นอุปถาบ้างเช่นว่าอุปถาชายอุปถากหญิงที่เป็นโยมนะโยมอุปถาเนี่ยที่อุปถากพระพุทธเจา้าทั้งโยมผู้ชายโยมผู้หญิงเนี่ยใครบ้างมาอุปถากสุดท้ายก็วิหารประเฉตรวัดที่พระองค์อยู่ประจําเนี่ยวัดอะไรเครียกว่าวิหารวิหารแต่ละแห่งที่พระองค์อยู่ประจําเช่นทศเชตวันวิหารเป็นต้นเนี่ยนะแต่ขั้นแสดงวาระมากวาระนั้นตามมาตรฐานก็จะกล่าวโดยสังเขปในที่นั้นอันนี้เรียกว่า อวิธีจับประเด็นว่าให้ให้อยู่ทั้งหมดประมาณสามสิบสามประเด็นถ้าจับประเด็นสามสิสามประเด็นในการศึกษาพุทธวงศ์ก็จะเข้าใจอย่างกว้างขวางขึ้นนะี่ยะไม่ใช่ว่าเธอเอเออพระพุทธเจ้าโกนทัญย่าก็โกนทัญย่สิแต่ว่าแยกอะไรไม่ได้เลยเพระองค์เป็นใครที่ไหนเมื่ อ, อไรอายุเท่าไร่ตัสรู้ยังไงพระองค์มีสนมเชื่ออมีมเหิสีเชื่ออะไรเป็นต้นเนี่ยโอ้ถ้าถามเนี่ยบอกเอไปเปิดเอากันแล้วกันนกันเขาพิมพ์ไว้ในหนังสือแล้วอย่างเงี้ยก็ ก็ไม่ค่อยได้อะไรสัพเท่าไรนะนะก็หม่ควาว่าเจริญพุทธานุสติเป็นต้นก็ได้ไม่มากนกนะเพราะจิตใจโครจรเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธคุณได้น้อยทีนี้สำหรับคำพีพุทธวงศ์เนี่ยนะนะก็อยากจะให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธวงศ์ให้ดีๆก็เลยตั้งเป็นคำถามขึ้นตั้งเป็นคำถามเป็นข้อกำหนดเป็นการถามเพื่อจะให้รอบรู้ในเกี่ยวกับคำภีพุทธวงศ์จริงๆ คือคอต่อไปจะเริ่มเนื้อหาอ่าเริ่มลักษณะของคำภีร์พุทธวงศ์จะได้รอบรู้นะถ้าตอบคำตอบคาถามเจ็ดคถามนี้ได้ก็แสดงว่าเข้าใจดีเกี่ยวกับคำภีร์พุทธวงศ์เช่นคําถามที่หนึ่งบอกว่าพุทธวงศ์นี้ใครแสดง 1, ที่สองบอกแสดงที่ไหนสมแสดงเพื่อประโยชน์ให้ใครแปลว่าให้แสดงให้ใครฟังสี่บอกว่าแสดงเพื่อใครอ่าเพื่ออะไรแสดงทําไมเหมือแนบบกันเถอะ้าแสดงเมื่อไหรหก คำของใครที่ที่มารวบรวมแล้วก็สุดท้ายใครนําสืบมาครั้งกล่าววิธีนี้โดยสังเขปก่อนอหมดก่อนแล้วภายหลังจะทำการปนานนาเนื้อความแห่งพุทธวงศ์คือมามาทำความเข้าใจในคมพีนี้ก่อนแล้วค่อยมาศึกษาเจาะลรงรายละเอียดคำถามแรกที่บอกว่าพุทธวงศ์นี้ใครแสดงใครแสดงคมพีนี้ได้ตอบว่าพระตถาคตผู้สารวจด้วยพยาน คือพระองค์เนี่ยใช้พระญาณเนี่ยสำรวจพระธรรมเหล่านี้ทั้งหมดใช้ญานอะไรสำรวจใช้ยานอันไม่ติดขัดในธรรมทั้งปวงที่เราเรียกว่าอนนาวรณญาณพระองค์เนี่ยใช้อนาวรณญาณสำรวจเนี่ยนะตรวจตราด้วยพร้อมกับสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะสำรวจตรวจตราพระพุทธวงศ์ทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะใช้อนาวรณญาณสัพพัญญุตญาณสำรวจตรวจตรา พระธรรมเหล่านี้ก็จริงแต่พระองค์ก็ดํารงอยู่ด้วยทศพลายานยานที่เป็นกําลังเฉพาะพระองค์นี่เสร็ประการพระองค์นี้ถึงความแกล้วกล้าไม่ขั้นคลั่มเนี่ยนะองอาจสงาผาเผยไม่ขนพองสยองกล้าวด้วยเวสารชยานสี่ยานที่ทําให้พระองค์นี้ถึงความแกล้วกล้าปราศจากความขั้นคลั่มแตไม่ไม่ไม่มีการสะดุง้งตกใจหวาดผวาเป็นต้นไม่มีความว่าผวาเนี่ยนะสะดุ้งเป็นต้นเนี่ยไม่มี พระองค์นี้เป็นจอมทัพแห่งธรรมะเนี่ยนะเรียกว่าเป็นจอมจอมตัวนี้ก็คือยอดนะนะก็คือหัวหน้าของกองทัพธรรมเจ้าของแห่งธรมธรมธรรมสามีก็คือเจ้าของนะเจ้าของแห่งโลกุตระธรรมก็เราพระพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยนะความดีความงามทั้งมวลในศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของเนี่ยนะอย่างถ้าบอกทางโลกเขาเรียกอะไร ขราชการใช่ไหมก็แสดงว่าแผ่นดินของพระราชาทรัพย์สินทั้งหมดถือว่าเป็นของพระราชาฉันใดนี้ก็เหมือนกันถือว่าเป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมดผู้เป็นสัพพันธ์อูรอบรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันรอบรู้โดยไม่ติดขัดและขัดขวางทั้งสังฆะและอสังฆะผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะแปลว่าตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยลำพังด้วยพระองค์เองผู้ที่ตรัสรู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ควร รู้ยิ่งเป็นต้นนี่ยนะโชวว่าพระพุทธเจ้าแสดงนะแต่ว่าจะตอบวาง่ายไปนะบอกใครแสดงพระพุทธเจ้าแสดงง่ายไปนั้นก็แสดงว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าดีก็เลยสรรเสริญว่าพระตถาคตคือยกเอ่อยกพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณธรรมโดยเฉพาะยกพระญานของพระองค์ว่า ผู้มีปัญญานะเอาพุทธวงศมาแสดงมันยกคำว่าตถาคตผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นผู้เสด็จไปแล้วอย่างนั้นผู้รู้ลักษณะอันทองแท้ผู้เห็นธรรมอันทองแท้เป็นต้นเนี่ยพระองค์เหล่านั้นอะสำรวจตรวจตรา อย่างละเอียดละอ่อทีท่วนด้วยสัพพัญยุตยานด้วยอนนาวรณญ า, านพระองค์นิทรงอยู่ด้วยทศพลยานญานที่เป็นกําลังมีเวสารัญยานพระองค์เนี่ยเป็นจอมทัพเนี่ยนะเป็นผู้กล้าเป็นเจ้าของแห่งธรรมเป็นสัพพัญอยู่และเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ทรงคุณธรรมดังกล่าวนี่แหละแสดงพุทธวงศแสดงวงของพระพุทธเจ้าคนที่จะประกาศวงของใครว่าว วงของผู้ใดเจ้าของวงเนี่ยประกาศดีที่สุดฉันใดพุทธวงนี้พระพุทธเจ้าประกาศดีที่สุดมันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ประกาศเกี่ยวกับวงของพระองค์เองได้อย่างละเอียดอย่างถี่ถ้วนมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปที่เมืองกระ บ, บิละพัฒน์นี่แหละแล้วพระองค์ก็ไปบินทาบาทพระองค์ไปบินทาบาตเสร็จแล้วก็พระเจ้าสุทโธธนะก็บอกว่าทาไมไม่ไปฉันที่วัง เขาบอกโอ้ที่ที่พระองค์มาทําอย่างเนี้ยพร ะ, ระองค์ปฏิบัติตามวงของพระองค์พระอาจาย์สุธโทธนะก็บอกว่าเอ๊วงเราไม่เคยขอทานเหมืะนั้นวงของเราไม่มีถือกระเบื้องขอทานกินกันอย่างนี้หรอกอันนั้นวงของมหาบาพิตรไม่ใช่วงของอัตมาภาพวงของอัตมาภาพเป็นพุทธวงเนี่ยนะเป็นวงของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นวงของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระทีปังกรเป็นต้นมา ทีนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าที่แสดงเนี่ยนะแสดงพุทธวงศนะ์เนี่ยแสดงที่ไหนตอบว่าพระตถาคตซึ่งกําลังเสด็จจงกรมเหนือรัตนจงกรมเรียกว่าดวงจงกรมแก้วอันเป็นจุดที่ชุมนุมของดวงตาของเทวดาและมนุษย์เรียกว่าขณะที่พระองค์กำลังเดินจงกรมอยู่บนเหนือรัตนจงกรมเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์กําลังชื่นชมชื่นชมเห็นความงดงาม งดงามน่าทัศนาแปล ว, ว่าไม่มีอะไรจะน่าดูกว่านี้อีกแล้วพระองค์ได้ทรงแสดงณนะนิโครทารามมหาวิหารใกล้กรุงกระบิลพัฒน์มหานคระคที่เมืองกระบิ่ลพัฒน์มหาคนครเมืองใหญ่มากเลยนะตอนนี้ก็เหลือแต่ป่าหญ้าคาแต่ตุลาที่แล้วเห็นแต่หญนะ้าคาะตอนนี้ก็น่าจะอาจจะเพิ่มหญ้าคาขึ้นมาอีกหน่อยอนะไรเยถ้าไม่ตัดแล้นะต้อย่างว่าอ น, นิจจาวัฏสังขารายกนนะพูดถึงว่าที่ ตอนนั้นเนี่ยนะในที่เมืองกระบินลพัฒนิโครทารามพระองค์ได้เนรมิตรัตนจงกรมขึ้นพระองค์ก็เสด็จเดินจงกรมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกําลังมองดูอยู่ด้วยสายตาที่ชื่นชมเต็มที่เนี่ยนะพระองค์ก็พระลีลาที่งดงามจริงๆขณะนั้นเลยพระองค์แสดงพุทธวงศ์คําถามที่สามถามว่าพระองค์แสดงพุทธวงศ์เนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ใคร ว่าแสดงเพื่อประโยชน์แก่พระประยุรญาติประมาณ8 2ด0 0ืแก่เทวดาและมนุษย์อีกหลายโกรธด้วยกนันนะแสดงเพื่อให้พระญาติรู้จักพระพุทธคุณแสดงเพื่อให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรู้จักพระพุทธคุณๆๆเพราะฉะนั้นจึงแสดงเพื่อประโยชนแย์แก่พระยุรญาติเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถามว่าแสดงเพื่ออะไรจริงๆอ่ะความต้องการของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยพวกต้องการอะไร ทำไมจึงเอามาแสดงให้เขารับรู้กันน่ะท่านบอกว่าแสดงเพื่อช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามจากโอคาทั้งสี่คือแสดงเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายข้ามจากโอคากันดานะคือพระองค์เนี่ยมองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายกำลังจมน้ำกันอยู่พระองค์ก็ช่วยแสดงพุทธวงซึ่งเป็นประดุดเรือนะซึ่งเป็นประดุดเรือเป็นประดุดแพให้สัรพภสัตว์ทั้งหลายที่กาลังจมอยู่ในโอค่าเหล่านั้นน่ะ ขึ้นบนเรือบนแพคือพุทธวงศ์จะได้ข้ามออกจากภพกันดารข้ามออกจากวัตะกันดารน่นะข้ามจากฝั่งโลกิยะไปสู่โลกุตระะฉนนั่นคือวัตถุประสงค์ก็แปลว่าแสดงเพื่อให้เขากำหนดรู้ทุกลักษมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคซึ่งเป็นประดุดเรือประดุดแพให้ข้ามออกจากสังสารวัฏนั่นเองคาถามต่อไปคาถามที่5บอกว่า แล้วพระพุทธเจ้าแสดงเมื่อไหรคือเวลาที่แสดงเนี่ยหนมะายว่าปีที่แสดงเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้ามีพระชนมาายุหลังจากตรัสรู้แล้ว45ปีใช่ไหมใน45ปีเนี่ยะองค์แสดงปีไหนอย่างนั้นเถอดตอบว่าความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะประทับไม่ประจําอยู่20พันษาแปลว่า20พรรษาแรกอยู่ไม่ประจำํำ20พันษาแรกนะตั้งแต่ว่าปีที่หนึ่งตรัสรู้ จนถึงปีที่ย0สิบไม่มีประจำแม้แต่แห่งเดียวเพราะฉะนั้นที่ใดๆเป็นที่ผาสุกพระองค์ก็เสด็จประจำอยู่ณที่นั้นนั่นแหละเช่ น, นพรพนรษาแรกพรกพรษาแรกพระองค์หลังจากประกาศพระธระะรมจักรกับปวตนะสูตรณป่าอิสิปตนะมรุกขายาวันเนี่ยนะให้พรมส8โกดเดื่มน้ำอมะตะพร้อมกับพระอญญาโกนธัญญพระองค์แสดงวันอาสาลหะบูชาวันวันเพ็ญเดือน เดือนอะไเดือนแปดใช่ไหมวันเพนเดือนแปดพอพระ อ, องค์แสดงจบเนี่ยนะคืนนั้นก็เข้าท่าก็าจำพรรษาเลยเขาวันวันเรียกว่าวันเข้าพรรษาว่า ง, งั้นเถอะเช้ามาก็จะเป็นวันเข้าพรรษาพระ อ, องค์ก็สเสด็จจําพรรษาอยู่นะปาอิสิ ป, ปตนามฤุขไทยวันแขวงกรุงพาราณสีก็คือห่างจากกรุงพาราณสีพอสมควรเนี่ยนะ